บทที่26ผมอยากรู้เรื่องศาสนาเชนสมผานวัดป่ามะม่วงพูดอย่างเกรงใจเป็นที่สุดภิกษุอ่อนไวัยกว่าน้อมรับว่าหลวงพ่อผมจะถวายความรู้เท่าที่ผมรู้แล้วจึงเล่าประวัติความเป็นมาของศาสนาเชนดังต่อไปนี้ ศาสนาเชนหรือชัยนะเป็นศาสนาที่ตั้งมาตั้งแต่พุทธกาลอ่านจะก่อนพุทธกาลเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าเป็นศาสนาร่วมสมัยกับพระพุทธศาสนาศาสดาของศาสนาเชนก็คือมหาวีวระที่ในคำภีพระไตรปิฎกเรียกว่านิครนาตบุตรที่พระพุทธองค์ทรงเรียกว่านิครนใช่ไหมครับดูมันจะอยู่ในสามัญญผลสูตร พระไตรปิฎกเล่มที่เกหลวงพ่อเก่งจังครับผมยังไม่รู้เลยว่าอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่เทา่าไรเพราะผมไม่ค่อยมีเวลาได้อ่านมหาฉลองพูดออกตัวนอกจากพระไตรปิฎกแล้วก็ยังมีอัตถกถาด้วยครับในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ทรงเรียกพวกที่นับถือาศาสนาเชนว่าพวกนิกรนครนคําว่านิครนแปลว่า ไม่มีกิเลตเครื่องผูกรัดหมายความว่าไม่ยึดถืออะไรทั้งสิน้นแม้แต่ผ้าก็ไม่ต้องนุง่งศาสดามหาวีระนั้นไม่นุง่งผ้าครับแล้วรูปของมหาวีระก็เหมือนพระพุทธรูปตอนมาใหม่ๆผมนึกในใจว่าประเทศอินเดียมีพระพุทธรูปด้วยแสดงว่าพระพุทธศาสนายังไม่สูญสิ้นไปจากประเทศนี้ เวลานั่งรถผ่านพระพุทธรูปผมก็ยกมือไหว้ทำความเคารพพออยู่นานๆไปถึงได้รู้ว่าไม่ได้ทำความเคารพพระพุทธเจ้าแต่ไปไหว้มหาวีระครั้งหนึ่งผมไปนิวเดลฮีซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนี้คนอินเดียเ็าออกเสียงนิวเดลฮีแต่ชาวต่างประเทศออกเสียงว่านิวเดลี ท่านพระครูสัพยอกว่าท่านเป็นคนอินเดีย ห, หรือครับผมนึกว่าท่านเป็นชาวต่างประเทศเพราะเห็นออกเสียงว่านิวเดลฮีพระมหาฉลองตอบแบบไม่สัพยอกกลับว่าผมเป็นชาวต่างประเทศที่อยู่อินเดียมานานจนลืมตัวไปว่าตัวเองไม่ใช่คนอินเดียบ่อยครั้ง ที่ผมเผลอคิดไปว่าตัวเองเป็นคนอินเดียเลยออกเสียงแบบคนอินเดียหลวงพ่อจะคิดแบบไทยก็ได้ว่าเข้าเมืองตาลิวก็ต้องลิวตาตามแล้วถ้าผมคิดแบบฝรั่งละ่ะจะว่าอย่างไรท่านพระครูยังคงสัพยอกหวังจะให้พระหนุมหายง่วงถ้าหลวงพ่อคิดแบบฝรั่งผมก็ว่า เข้ากรุงโรมต้องทำตามชาวโรมันครับอ๋ออย่างนั้น ห, หรือครับแสดงว่าท่านมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับกาละเทสได้ดีมากผมขอชมเชยท่านสัพยากผู้อ่อนกว่าพอหอมปากหอมคอแล้วจึงย้อนกลับไปยังเรื่องที่กำลังสนทนากันอยู่ด้วยการถามว่าเมื่อสักครู่ ท่านพูดค้างไว้ว่าครั้งหนึ่งท่านไปนิวเดลีไปทําอะไรลึกครับท่านเรียกชื่อเมืองหลวงของอินเดียแบบเดียวกับที่ชาวต่างประเทศเรียกคือครั้งหนึ่งผมไปนิวเดลีผู้อ่อนวัยกว่าตั้งใจออกเสียงให้ต่างจากท่านพระครูผมไปพักอยู่ที่อุทยานชานเมือง Delhi, ในิวเดลีใกล้กับภูเขา ผมเกิดคิดถึงเมืองไทยมากจึงเดินไปที่ภูเขาซึ่งมีพระพุทธรูปปางสมาธิประดิษฐานอยู่ผมก็ไปนั่งสวดมนต์อยู่พักใหญ่ๆเสร็จก็อยากรู้ว่าใครเป็นผู้สร้างพระพุทธรูปองคนี้จึงเดินเข้าไปใกล้ๆเพื่ออ่านข้อความที่เขียนไว้ที่ฐานพระปรากฏว่ามีข้อความภาษาฮินดีและก็ภาษาอังกฤษ เขียนไว้ว่าศาสดามาหาวีระแห่งศาสนาเชนผมจึงพิจารณาดูอย่างทีท่วนก็พบว่าพระพุทธรูปไม่มีจีวรหรือสังคติคือไม่ได้นุ่งผ้าแต่เพราะนั่งในท่าสมาธิจึงดูไม่น่าเกลียดพวกเชนเขาสร้างรูปศาสดาจะอยู่ในอืริยาบทนั่งสมาธิเสมอ คงเห็นว่าถ้าอยู่ในอริยบทยืนก็คงจะไม่เจริญหูเจริญตาสาักเท่าไรตั้งแต่นั้นมาเวลาผมผ่านภูเขาที่มีพระพุทธรูปเลยไม่กล้าไหว้กลัวว่าจะไหว้พระมหาวีระภิกษุอ่อนวัยกว่าเล่าประสบการณ์ของท่านอย่างนั้นละครับถ้าเช่นนั้นประเทศอินเดียก็เป็นดินแดนที่เกิดของศาสนา ถึงสาศาสนาคือพราหมณ์ฮินดูพระพุทธศาสนาและศาสนาเชนมีศาสนาซิกอีกด้วยครับหลวงพ่อรวมเป็นสศาสนานี่นับเฉพาะศาสนาที่สำคัญนะครับเพราะยังมีศาสนาเล็กศาสนาน้อยอีกเป็นร้อยศาสนาที่เกิดในประเทศนี้แต่ศาสนาเหล่านี้ ก็เกิดที่หลังนะครับเพราะไม่มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกนอกจากสามศาสนาข้างต้นในพระไตรปิฎกยังกล่าวถึงเจ้าลัทธิอีกหกคนที่เรียกว่าติดตะกรนจึงเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนาท่านจาได้ไหมครับว่าเจ้าลัทธิทั้งหกมีใครบ้างจําได้บ้างครับแต่คงไม่ครบหก เจ้าลทัทธิเหล่านี้บางครั้งก็เรียกกันว่าครูทั้งหกหลวงพ่อจำชื่อครูทั้งหกได้ครบหรือเปล่าครับคิดว่าครบครับครูทั้งหกก็ได้แก่ปุรณาคกัสปะมักคลิโคสารอจิตาเกษกัมพล ปกุจุทกัจยานะสัญชัยเวรทบุตรและก็นิครนาตบุตรทั้งหมดนี้คำสอนของนิครนาตบุตรมีความคล้ายคลึงกับคำสอนในพุทธศาสนามากเช่นคำสอนเรื่องกรรมพระพุทธศาสนาจําแนกกรรมออกเป็นสามอย่างตามการแสดงถ้าแสดงออกทางกายก็เรียกว่ากายกรรม ทางวาจาก็เรียกว่าวาจีกรรมถ้าทางใจก็เรียกว่ามโนกรรมส่วนศาสนาเชนเรียกกรรมว่าทันทะก็แบ่งออกเป็นสามเช่นกันได้แก่กายทันทะวจีทันทะและกมะโนทันทะแต่เน้นต่างกันกล่าวคือพระพุทธศาสนาเน้นที่มโนกรรมแต่ส่วนศาสนาเชนเน้นที่กายกรรม ในอัตกาตาได้แสดงไว้ว่าพระพุทธเจ้าทรงตำหนิพวกนิครนในสิบสถานได้แก่ไม่มีศรัทธาหนึง่งผิดธรรมนองครองธรรมหนึง่งไม่มีหิริโอตตะปะหนึง่งคบมิจฉุอะหนึง่งยกย่องพวกตนดูมินพวกอื่นหนึง่งมีความโลภในลาบสักกะละเฉพาะหน้าหนึง่งว่านอนสอนยากหนึ่งไม่ซื่อสัตย์หนึ่ง คิดมีชอบหนึ่งและเห็นผิดหนึ่งสรุปว่าในทัศนะของพระพุทธศาสนาคําสอนของพวกนิกรนไม่ถูกต้องไม่สามารถนําไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์ได้พระมหาฉลองช่วยเสริมว่าเพราะการจะหลุดพ้นจากทุกข์ก็ต้องดำเนินทางสายกลางเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาส่วนพวกนิครนหนักไปทางอตกิลมฐ า, านุโยก กล่าวกันว่าตอนที่มหาวีระจะตายเกิดสำนึกผิดแล้วก็คิดมีความปรารถนาจะให้สานุสิทธิ์ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องจากสํานักของพระพุทธเจ้าจึงแกล่งสอนในสิ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยบอกกลุ่มที่หนึ่งว่าคำสอนของตนเป็นอุเฉททิธิแล้วบอกสิทธิ์กลุ่มที่สองว่า คำสอนของตนเป็นสัตสตทิธินี่ก็เป็นอุบายของมหาวีระหลังจากที่คิดได้ตอนใกล้ตายว่าตัวเองสอนผิดมาโดยตลอดคลั้นจะบอกสิทธิ์ไปตามตรงว่าตนสอนผิดก็จะทำไม่ได้เพราะกลัวเสียหน้าพวกาศาสดาจเจ้าลัทธิทิธิแรงมากยอมเสียชีวิตได้ แต่เสียหน้ายอมไม่ได้เหมือนสัญชัยเวรัตบุตรอาจารย์ของอุปติสสะที่ไม่ยอมเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าตอนที่อุปติสสะกับโกลิตะชักชวนขนาดอุปติสสะพูดตรงๆเลยว่าอาจารย์ลัทธิของอาจารย์เป็นมันไรแก่นสารเราไปเฝ้าพระษาสดากันเถอะสัญชัยเวรัตบุตร ก็บอกว่าเราเป็นครูบาอาจารย์เขาจะไปเป็นอันเตวาสิกได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้แน่นอนถ้าท่านเป็นสัญชัยท่านจะไปไหมครับถามเพื่อลองใจไม่ไปครับเพราะเสียชีวิตได้แต่เสียหน้าไม่ได้เป็นอาจารย์เขาแล้วจะลดตัวไปเป็นสิทธิ์คนอินเดียยอมไม่ได้เด็ดขาดครับ ผมทราบดีว่าคนอินเดียยอมไม่ได้เด็ดขาดแต่ท่านเป็นคนไทยไม่ใช่คนอินเดียนะครับสมภารวัดป่ามะม่วงแยงก็ท่านบอกว่าถ้าผมเป็นสรรชยัยก็ยอมไหมผมก็บอกว่าไม่ยอมเพราะถ้าผมเป็นสรรชยัยผมก็เป็นคนอินเดียใช่ไหมครับผู้อ่อนไวกว่าชักจะมีเชื้อยวนทําให้การสนทนามีชีวิตชีวาขึ้น ถ้าเทียนนั้นผมถามใหม่ก็ได้ว่าถ้าท่านมหาฉลองจะยอมไปเฝ้าพระศาสดาหรือไม่ไม่ต้องมีท่าหรอกครับเพราะผมเป็นมหาฉลองอยู่แล้วภิกษุหนุ่มยังคงยวนท่านพระครูยังคงมีขันติถามต่อไปว่าครับท่านเป็นมหาฉลองแล้วก็เป็นคนไทยร้อยเปอร์เซนแล้วท่านจะยอมไปเฝ้าพระพุทธเจ้าหรือไม่ ผมไม่ใช่คนไทยร้อยเปอร์เซนตหรอกครับผมเป็นคนอีสานใต้ไกลจากอีสานเหนือคนอีสานไม่ว่าจะเหนือหรือใต้ก็ไม่ใช่ไทยแท้เพราะไม่พ่อก็แม่มักจะเป็นลาวผมทราบแล้วครับว่าท่านเป็นคนไทยเชื้อสายลาวแต่ทําไมท่านถึงพูดภาษา ย, ยวนพระมหาฉลองตอบว่าลาวกับยวนอยู่ใกล้กัน ก็เลยรับเอาวัฒนธรรมของกันและกันมาไม่ใช่ผิดธรรมชาติใช่ไหมครับได้ยินคำว่ายวนท่านพระครูคิดไปถึงพระโบยเฮียวภิกษุหนุ่มที่นั่งอยู่เบื้องหน้าของท่านรูปนี้มีอะไรคล้ายคลึงกับพระโบวเฮียวหลายอย่างโดยเฉพาะการพูดยวนทั้งที่ไม่ได้เป็นยวนแล้วผมจะมีบุญวาสนาได้รู้คาตอบไหมครับ ว่าท่านจะไปเฝ้าพระาศาสดาหรือไม่ผู้สูงวัยกว่าอดทนถามตอบไปถ้าหลวงพ่อต้องการจะรู้จริงๆก็รู้ได้โดยไม่ต้องถามผมผมเชื่อว่าหลวงพ่อรู้ได้ท่านยำ้ำถ้าเช่นนั้นผมก็จะตัดใจไม่อยากรู้ แต่ถ้าท่านถามกลับว่าถ้าผมเป็นสัรชยัยจะไปเฝ้าพระาศาสดาหรือไม่ผมก็ตอบทันทีว่าไปเพราะผมคิดว่าคนที่มีปัญญาถึงเป็นครูอาจารย์สอนคนอื่นได้หากละทิฏฐิยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาจะสามารถหลุดพ้นได้ดีกว่าจมปรักอยู่กับลัทธิเดิมของตน ท่านรู้ว่าพระหนุ่มจะถามกลับจึงตอบโดยไม่รอให้ถามถ้าพวกเจ้าลัทีิทั้งหลายคิดอย่างเดียวกับหลวงพอ่อคงจะเป็นประโยชน์กับชาวโลกไม่น้อยพระพุทธศาสนาจะยืนยงคงอยู่คู่โลกและก็แผ่นดินอินเดียไปอีกนานไม่เสื่อมถอยสิ้นสูญอย่างที่เป็นอยู่นี้เมืองไทยโชคดีนะครับที่พระพุทธศาสนาไปจเจริญรุ่งเรืองอยู่ได้ ทั้งที่ประเทศไทยไม่ใชแดนอันเป็นที่เกิดของพระพุทธศาสนาพระโหนมพูดด้วยความชื่นชมที่เป็นเช่นนี้เพราะท่านไม่รู้สถานการณ์ที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเหมือนที่ท่านพระครูรู้สมภารวัดป่ามะม่วงรู้ว่าพระพุทธศาสนาในเมืองสยามเริ่มเสื่อมถอยเพราะพุทธบริษัทซึ่งบาดนี้ เหลือเพียงสามเนื่องจากภิกษุณีบริษัทศูนย์สิ้นไปเมื่อประมาณพันปีหลังพุทธะปรินิพานไม่ได้ทำหน้าที่ของตนอย่างจริงใจและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาความเจริญทางวัตถุทำให้ไทยพุทธทั้งพระและคฤรือหัดหลงไหลได้ปลื้มพวกเขาพากันทิ้งาศาสนาไปหาวัตถุเงินทองมีบทบาทสาคัญกว่าคุณธรรมความดี พระพุทธศาสนาสอนให้ละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสแต่พวกเขากลับปฏิบัติตรงข้ามคือละดีทำชั่วทำจิตใจขุนมัวหม่นมองและไปโทษว่าพระพุทธศาสนาไม่ดีคนเราสติปัญญาไม่เท่ากันจึงมีความเห็นต่างกันการที่มีรัธิศาสนาเกิดขึ้นมากมายก็ด้วยเหตุผลนี้ ท่านเห็นแล้วใช่ไหมว่าแม่ศาสนายังต้องแบ่งแยกออกเป็นนิกายหลังจากสัสดาหลวงรับไปแล้วอย่างเช่นพระพุทธศาสนาในครั้งพุทธกาลยังไม่มีการแตกออกเป็นนิกายแต่เมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิ พ, พานได้ประมาณร้อยปีพระพุทธศาสนาก็มีทีท่าว่าจะเริ่มแตกออกเป็นนิกาย ท่านคงทราบเรื่องจากพระมาหาเทวะซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้พระศ า, าสนาแตกออกเป็นนิกายถึงไม่แตกออกในตอนนั้นแต่ก็เป็นชนวนทำให้แตกแยกและทำให้เกิดนิกายมหายานขึ้นหลังจากสังคยาครั้งที่สามครับมหาเทวะทำความวุ่นวายร้ายกาศไว้กับพระพุทธศาสนามาก ได้มีแนวคิดวิปริตผิดธรรมและวินัยมากมายแกเป็นคนพูดเก่งสามารถพูดโน้มน้าวให้พระเจ้าการาโศกเชื่อได้โชคดีที่พระนันทาเทรีพระคณิษฐาของพระเจ้าการาโศกได้ทัดทานพระเชษฐาไว้ไม่เช่นนั้นนิกายมหายานก็เกิดขึ้นตั้งแต่ร้อยปีหลังหลังพระพุทธการโน่นแล้ว มหาเทวะบาปหนักมากผมว่ามากกว่าพระเทวทัตเสียอีกเพราะพระเทวทัตทำคารุกกรรมสองอย่างคือโลหิตุบาตกับสังฆเภทแต่มหาเทวะทำถึงสี่อย่างเริ่มจากปิตุคาตอารหันตะคาตมาตุคาตและสุดท้ายก็ทำสังฆเภทอีกไม่ได้ทำอย่างเดียวคือโลหิตุบาต เพราะพระพุทธองค์ปรินิพานไปแล้วผมไม่เรียกว่าพระเพราะพระแปลว่าผู้ประเสริฐมหาเทวะเป็นคนเลวบาปหนาสาหัสมากแล้อยังหลอกลวงโลกว่าตนเป็นพระอรหันต์ท่านพระครูช่วยเสริมว่าพระเทวทัต ด, ดีกว่าพระมหาเทวะตรงที่ในวาระสุดท้ายท่านสำนึกได้ อธิกถาแสดงไว้ว่าหลังจากท่านชดใช้กรรมในนรกอเวจีหมดสิ้นแล้วท่านจะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามีพระนามว่าอัธิสาระแต่พระมหาเทวะสํานึกไม่ได้จึงไม่มีโอกาสเช่นพระเทวทัตครับมหาเทวะทาชั่วแม้ในวาระสุดท้ายของชีวิต ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าแกเป็นพระอระหันต์ตอนตายพระเจ้ากาลาโศมีรับสั่งให้ทำพิธีเผาศพในฐานะพระอระหันต์แต่ตอนเผาศพบกลับไม่ไหม้โหนต้องแนะนำให้เอาขี้หมาเยี่ยวหมามารดจึงไหม้ขออภัยที่ผมพูดไม่สุภาพเพราะถ้าจะพูดว่าอุจจระสุนักปัสวะสุนักมันฟังขัดหูพิกล พระนมพูดออกตัวสรุปว่าหลังพุทธปรินิ พ, พานพระพุทธศาสนาก่อแตกออกเป็นนิกายใหญ่สองนิกายคือเทรวาดกับอาจารยะวาดแล้วศาสนาเชนก็มีการแยกเป็นนิกายไหมครับพระมหาฉลองตอบว่า มีครับตอนศาสดามาหาวีระมีชีวิตอยู่ศาสนาเชนก็ยังไม่แยกเป็นนิกายแต่หลังจากมาหาวีระถึงแก่กรรมไม่นานศาสนาเชนก็แตกออกเป็นสองนิกายคือนิกายที่คาพรพวกนี้นุ่งลมห่มฟ้าเหมือนศาสดาและยึดถือคาสอนดั้งเดิมของมาหาวีระนิกายนี้หม่มีนักบวชที่เป็นสตรีเพราะถือว่าผู้หญิง ไม่สามารถบรรลุโมษะได้ถึงบวชไปก็ไม่มีความหมายที่สำคัญคือนิกายนี้ไม่นุ่งผ้าถ้าผู้หญิงมาบวชคงยุ่งกันใหญ่แล้วถ้าผู้หญิงอยากบวชละ่ะเขาจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรผมหมายถึงว่าเขามีคำตอบให้อย่างไรเขาก็จะมาให้ช่วยปัดกวาดทาความสะอาดวัด ถือเป็นการสร้างบุญไว้ก่อนแล้วก็ให้อธิษฐานจิตทุกวันว่าชาติหน้าขอให้เกิดเป็นผู้ชายจะได้ไม่ถูกกีดกันไม่ให้บวชคือต้องรอชาติหน้าครับแต่ถ้าชาติหน้าเกิดเป็นผู้หญิงอีกก็ต้องรอชาติต่อๆไปจนกว่าจะได้เกิดเป็นผู้ชายแบบนี้ไม่ยุติธรรมนะสู่พระพุทธศาสนาของเราก็ไม่ได้ที่ให้ความเสมอภาค ว่าบุรุษอุืสตรีก็มีศักยภาพที่จะบรรลุดาได้เท่าเทียมกันขึ้นอยู่กับความพยายามของแต่ละคนแต่ถึงกระนั้นกว่าพระพุทธองค์จะทรงอนุญาตให้พระนางประชาบดีบวชก็คงตั้งเงื่อนไขามากมายจนพวกผู้หญิงไม่เข้าใจพากันคิดว่าพระองค์ลำเอียงเข้าข้างเพศเดียวกับพระองค์ พระองค์เป็นพระอาหารหันต์ผู้หมดจดจากกิเลสสิ้นเชิงแล้วจะทรงลำเอียงได้อย่างไรที่ทรงบัญญัติเงื่อนไขไว้มากกว่าเพราะว่าทรงพิจารณาตามธรรมชาติของบุรุษกับสตรีซึ่งมีสรีระต่างกันสรีระของสตรีซับซ้อนกว่าบุรุษจึงทรงบัญญัติสิขาบทของภิกษุณีไว้ถึง311ข้อ มากกว่าภิกษุถึง84ข้อเหตุผลอีกประการหนึ่งเพราะสตรีอ่อนแอกว่าบุรุษจึงทรงบัญญัติสิขาบทให้ภิกษุณีอยู่ในวัดที่มีภิกษุมีฉะนั้นอาจจะถูกบุรุษรังแกเอาได้ผมคิดว่าถึงผู้หญิงจะอ่อนแอกว่าผู้ชายแต่ในเรื่องความอดทนผู้หญิงอดทนมากกว่าผู้ชายนะครับ ยกตัวอย่างเรื่องการออกลูกผมว่าถ้าผู้ชายเป็นฝ่ายออกลูกมนุษย์ก็คงสูญพันไปนานแล้วเพราะผู้ชายใจเสาะกว่าผู้หญิงท่านพระครูเปลี่ยนจากบรุษและสตรีมาเป็นผู้ชายและผู้หญิงพระมหาฉลองจึงเปลี่ยนตามโดยการพูดว่าผมเห็นด้วยครับพวกผู้ชายดูเข้มแข็งก็เฉพาะร่างกาย แต่จิตใจไม่เข้มแข็งส่วนผู้หญิงแม้จะดูเปราะบางแต่จิตใจเข้มแข็งอดทนเพราะผู้หญิงเมื่อออกลูกแล้วก็ต้องทนเลี้ยงลูกต่อไปจนกว่าลูกจะโตผู้ชายไม่มีความอดทนแบบนี้ผมก็อยากจะพูดเหมือนกับหลวงพ่อว่าถ้าให้ผู้ชายเลี้ยงลูกมนุษย์คงสูญพันไปเหมือนกันหลวงพ่อเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยเต็มที่เลยครับ ผูดไปพูดมาผมจะคิดถึงโยมแม่ซะแล้วสิผมก็คิดถึงครับผมจากโยมแม่มาอยู่อินเดียหลายปีแล้วคิดว่าปีใหม่จะต้องกลับไปเยี่ยมโยมแม่สักหน่อยถ้าไม่มีโยมแม่ผมก็คงไม่ได้มาเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่นี่แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงเหมือนที่เพลงเขาร้องเลยนะครับ พระมหาฉลองพูดเสียงระหอยด้วยความคิดถึงโยมมานดาตกลงว่าศาสนาเชนแบ่งออกเป็นสองนิกายคือนิกายที่คำพรกับนิกายอะไรครับท่านพระครูวกกลับมาหาเรื่องที่กำลังสนทนากันอยู่นิกายเซวะตัมพรครับสเวดแปลว่าสีขาว อ, อัมพรแปลว่าท้องฟ้าเสวตตะสนธิกับ อ, อัมพรจึงเป็นเสวตัปพรหรือว่าเสวะตามพรก็ได้นิกายนิทนที่จะนุ่งลมห่มฟ้าก็หนุ่งขาวห่มขาวแทนแล้วก็มีนักบวชที่เป็นผู้หญิงด้วยเรียกว่าสาทวีนิกายเสวตัมพรเกิดขึ้น หลังจากมหาวีวระถึงแก่กรรมแล้วพระพกเชนเห็นว่าถ้ามีแต่นิกายดั้งเดิมก็ไม่สามารถเผยแร่ไปยังประเทศอื่นๆได้เพราะเหตุที่ไม่นุ่งผ้าศาสนาเชนสมัยก่อนมีแต่ในอินเดียเท่านั้นเมื่อนิกายเสยวัตตมพรเกิดขึ้นจึงเผยแผ่คำสอนไปต่างประเทศได้ตอนนี้เห็นว่าแผ่เข้าไปในยุโรป และอเมริกาแล้วเสียงรักขังบอกเวลาทําวัดเช้าดังขึ้นห้าครั้งพระมหาฉลองซึ่งหายง่วงแล้วพูดขึ้นว่าได้เวลาทําวัดเช้าแล้วหรือคุยกันประเดี๋ยวเดียวย่างเข้าวันใหม่แล้วหลวงพ่อไปทําวัดเช้าที่โบสถ์ด้วยกันไหมครับผู้อ่อนวัยกว่าชักชวนคงไม่ได้หรอกครับ ทางคณะเขานัดออกไปวัดไปราชกรและก็นารันธาตอนตีห้านี่ก็ได้เวลาพอดีผมจะไปล้างหน้าแปรงฟันและไปขึ้นรถขอบคุณท่านมากนะครับที่ให้ความรู้มากมายเลยทีเดียวแล้วล่วงลงไปในย่ามหยิบซองบรรจุปัจจัยที่เตรียมมาแล้วจึงถวายพระมหาฉรอง ผมร่วมทำบุญกับพวกเด็กๆสองมื่นบาทครับท่านจะนำไปเป็นค่าอาหารหรือว่าค่าเสื้อผ้าก็สุดแล้วแต่ขอพระคุณท่านมากครับผมจะนำไปเป็นค่าอาหารค่ายาและค่าเสื้อผ้าของพวกเด็กๆพระองค์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยารับไว้ด้วยความนอบน้อม